พระบัญญัติ5 9 9ก็ภิกษุใดทรงอัตเรกบาตต้องอ บ, บัินิสักิยาปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระชภคีจบ